เราเป็นเพราะเรามากกว่าเป็นเพราะใจเป็นเพราะใจเรา อ, อ่อนอ่อนแออยู่เสมอเพียงพบคนถูกใจเก็บมาใส่ดวงใจฉันไว้ฝันลมๆ ม, ม, มากมายแล้วเป็นไงพอาะว่าใจ แล้วมีคนอื่นเจ็บใจอยู่อีนั้นเพียงพบความผิดหวังได้แต่ลอกลอกใจตัวเองหวังอะไรมากมายนักใจเป็นพระใจเราอ่อนอยากทำใจขึ้นใหม่อยากตอ ใจเล็กๆให้แข็งแรงพอจะทนไหวพอแล้วพอพอฉันพอดีกว่าคิดไปเองทำให้ใจต้องเจ็บสุขเพียงสุขเล็กน้อยอยามพบคนถูกใจแต่พอเจ็บมันเจ็บเกินใคร พัะใจเราบาง อยากตบแเป็นดวงใจเล็กๆให้แข็งแรงพอจะทนไว้พอแล้วพอพอฉันพอดีกว่าคิดไปเองทำให้ใจต้องเจ็บสุดเพียงสุดเล็กน้อย